ต่อจากนี้ไปเป็นการ 12 มีนาคม 2535ณพุทธสถานสันติอโศก ก็เพราะว่าสนใจอยากจะฟังปริยัติฟังเทศถ้าก็มีหลักเยอะแต่หลักที่อาตมาจําได้แม่นๆก็หลัก <นะ. S 1> เพราะเราต้องมีการฟังธรรมฟังธรรมมันบรรลุธรรมได้จริงๆแล้วมันนําพาให้เจริญเมื่อไรอะไรมันก็จะต้องฟังจากฟังนี่ เอ่อเบื่อฟังธรรมเนี่ยๆๆแหละมันไม่ได้หยุดยั้ง เอ่อสื่อสารทุกวันนี้แทบจะเอามาแปะที่ในสมองแล้วก็เปิดสวิตช์ปื๊ดมันไหลเข้าไป ฟังทุกวันนี้จะต้องฟังๆนี่แหละทุกวันนี้จะต้องฟังสื่อ จะเป็นลีลากายกรรมก็ดีลีลาของวจีกรรมก็กายกรรมสั่งมาเป็นวจีกรรมแล้วก็มีบทๆของคนจริงๆเราก็ต้องๆนี้ละเอียด อ่าลีลาของคนท่าทางคน คน, คน 10 คนมีจริตต่างกันมีคน 10 คนนั้นมีคุณธรรมมีภูมิธรรมเท่าไหร่แต่คน 10 คนนั้นก็จะเป็นรูป เป็นลักษณะลีลาท่าทีอย่างหนึ่งองค์ประกอบของคน 10 คนนั้นที่ พฤติกรรมรวมอยู่ในรูปของกลุ่มนั้นก็จะต่างกับอีกกลุ่มนึงแม้จะมีทิฏฐิความเห็นคล้าย เสมอเหมือนเทียบกันได้เหมือนกันทุกอย่างสนิทไม่เหมือนหรอกนะเพราะองค์ประกอบต่างๆ ต้องระมัดระวังต้องพยายามประมาณคําว่าสัตบุรุษที่จะต้องเป็นผู้รู้ธรรมัญญุตตา ทั้งเหตุและผลธรรมัญญูตามีเหตุผลเข้ามาในตัวมีความหมายเข้ามาในตัว ธัมมัญญูตานี่ธรรมะนี่รวมหมดมีทั้งเหตุและผลอ่าต้องมี เวลาเข้าไปในที่นั้นที่นี้หรือกาละอย่างนั้นอย่างนี้เราจะ รูอะไรอะไรที่เราจะเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นที่เราจะประมาณมัตตัญญุตาในการเสมอเสมอเสมอหน้าปฏิบัติก็ประมาณให้ตน ถ้าตนเองยังไม่บรรลุตนเองยังไม่สมบูรณ์ตัวเองก็ประมาณตนด้วยประมาณผู้อื่นด้วยไป เดาเอามาจะเป็นงั้นจะได้อย่างงั้นไปตามความรู้เอาเป็นๆมีๆเป็นๆอาตมาว่าอาตมาได้ๆ มีการเกิดเกิดสภาพเป็นการงานอ่าที่พวกเราเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธ 8 ที่ วิเศษสุดประเสริฐสุดติดตามกับศาสนาฤาษีที่ไปเอาแต่ทางจิตใจแบบนั่งสมาธินั่งหลับตาเดี๋ยวนี้ ในอมในๆก็สังกัปปวาจากรรมนตลีลาเป็นศาสนาที่ ไม่พัฒนาทางคิดไม่พัฒนาทางพูดไม่ใช่เลยเป็นศาสนาที่มีหลักระบุชัดเจนเลยยิ่ง ซึ่งหลังมากองค์ 8 นี่แหละไม่คิดไม่นึกวาจากัมมันตะอาชีพหรืออาชีวะหลัก คิดอ้าวคิดสงบได้มีตัวคิดแต่ตัวพูดไม่มีไม่ได้ฝึกการ แล้วกรรมตกับอาชีวะต่างกันยังไงไม่รู้อ่าถ้าบอกว่ากายกรรมกายกรรมนั่งเฉยๆอาจจะบอกว่ากรรมตเป็นการ ก็คือการทํางานและฝึกหรือเปล่าสมาธิที่เราๆแต่ได้ เกินจะเชื่อจะเชื่อที่อาตมาพูดกับพวกเราได้นี่เพราะพวกเราได้ฝึกปรือกันมาหลายปีดีดักๆนานาๆไปในพวกเรา มันก็ยังมีอะไรอะไรพวกนี้ที่จะต้องเกิดเพราะกิเลสที่มันยังไม่สมบูรณ์กิเอ่อมาจากกิเลสไม่สมบูรณ์ที่ จะต้องมีความนึกคิดที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายท่องแท้กว่า ที่อัศวกเรานี้มีไม่ใช่น้อยขึ้นๆเลยยังจะมีอีกเป็นได้เท่านี้แค่ที่เราเป็นเรามีได้เท่านี้ มีสิ่งที่กําหนดหมายชัดเจนเป็นไปเพื่อลดเพือน รู้สังคมหมู่กลุ่มรู้บุคคลรู้พฤติกรรมของสังคมรู้บทบาทลีลาของสังคม เรเราทํารวมๆก็อยู่ทุกวันนี้นี่นะอาตมาเห็นว่ามันกลางๆมาต่างก็เออมาเป็นส่วนกลางก็ไม่ได้ตั้งตาที่จะกอบโกยหอบหวงใหญ่เพื่อความใหญ่ยิ่งขึ้น เราขยายขึ้นมาได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อที่จะสัพพัดไปสู่ผู้อื่นได้ มีทุนร้อนมากๆให้มีคุณภาพมากๆปริมาณจะๆเดี๋ยวต้องฟังมุมเหลี่ยมที่ๆๆแล้วให้ เหลือเหลือตัวเหลือตนมีตัวมีตนนี่มันอะไรกันแน่ตัวตนของกิเลสที่เราเอามาบำเรอๆรู้รู้ความจริงด้วยญาณด้วยปัญญาๆจริงๆ ส่วนตัวเรานั้นกลับศูนย์ลงศูนย์ลงศูนย์ลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปหา 00000 เข้าไม่ๆไอ้โลกียะ แล้วสุขต้องเสพสมที่ก็เคยอธิบายแล้วว่าอะไรมันว่างมันลดมันละมันน้อยลงไปได้จนกระทั่งศูนย์ไม่ความเสพอะไรไม่มีสิทธิ์ไม่มีความติดความ เวลาไปทําอะไรอื่นก็พยายามลดละอันไหนจะอาศัยอ่าจะต้องมีๆลดๆมากๆขึ้นไปจริงๆมัน สุขที่อสุขอทุกขมสุขไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขอยากรู้ๆนะเป็นอารมณ์ที่รู้ๆไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขโดยเฉยๆชาๆชินๆไม่รู้เรื่องเลยมีสภาวะรอง ปัจฉิวิของคนที่ปฏิบัติธรรมรุเจ้าแล้วได้ถูกทิศทางนี่จึงเป็น ไม่ตายก็อยู่สร้างสรรค์ไปตัวเองไม่ต้องมีไม่ก็ได้ถ้าจะได้มาก็ได้มา ถ้าใครเอาน้ำมันมาใส่ให้มันวิ่งได้มันก็วิ่งให้เอาลูกล้อมา ส่วนเอ่อเกินส่วนมีส่วนเสริมส่วนอะไรตรายที่จะทําอะไรได้มาก ตกแต่งเข้าไปมากๆฐานะแห่งการตกแต่งที่ทําให้รถใน ใครก็เอามาบํารุงเรามากเกินไปเอามาให้แก่เรามากเกินไปในส่วนที่ ศึกษาดีๆนะเพราะในชูเชิดอะไรที่ว่าไม่ใช่วิภูษณฐานาไม่ใช่ฐานะ เพราะมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยคําว่ามัทชิมาคําเดียวๆถึงจะรู้ขนาดที่พอเป็นไปต้องมีการพิสูจน์ยืนยันไปโอ้มันไม่ได้หยาบ ชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละศึกษาฝึกฝนไปยิ่งจะเข้าใจยิ่ง 8 หรือว่าโพชฌงค์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่าคนที่ขยันทํางานติดการงานเป็นกรรมารามาตาเสร็จแล้วมันก็ มันก็มีผลผลิตมีแรงงานเค้าก็ยังดีเค้ายังเป็นคนไม่หนัก แต่นั่งนิ่งเฉยๆไม่ทําอะไรติดพบอยู่เฉยๆลิงเหลี่ยงๆให้มันเสียๆนึงไปเดินๆนึงๆแกว่งแขนแกว่งขาไปแล้วก็ ตัวถือตนมีมานะมีอัตตาแล้วก็ไม่ชอบจะยุ่งเกี่ยวใครทํางานที่ฉันชอบมันบําเรอซ้อนอีกเหมือนกันเป็นกรรมารมตาทํางานนี้ฉันชอบงานนี้งานอื่นฉันไม่เอางานอื่นจะทํา ทำอื่นก็ไม่ทําไม่ชอบไอ้นี่ก็มีภพอัตตาของตัวอย่างยิ่งจนไม่รู้ไม่มีปรโตโคสะไม่ แล้วตัวเองก็ยึดก็ติดเข้าไปทุกทีว่าตัวเอง จะพบที่นั่งเอาแต่หลบอิตาลีอะไรเนี่ยยิ่งไม่กระทบสัมผัสอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละใน มีสังสันธนะมีโอภาปราศัยไปรับปรูรับเพญเข้าใจอันอื่นบ้าง มันจึงจะได้กว้างขวางมันจึงจะได้กระจายมันจึงจะได้มีพันธุ์เจริญจบไม่เจริญหรอกมีแต่ จริงๆแล้วกิเลสของเราอยู่ในอนุสัยที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตๆนะเพราะ เรียนรู้มันก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีล้างกิเลสอันนี้ออกแล้วอันอื่นที่ยังไม่ ให้เกิดสมาธิที่ให้เห็นได้ถูกต้องไม่งั้นมันก็งมงายจม เพื่อไปกระทุ้งกระทืนกระแทกอะไรออกมาให้มันเห็นชัดเห็นแจนว่าไอ้ <นะ. S 1> กิเลสมันหมดจิตสงบจะอยู่นิ่งๆอยู่ได้แม้มันจะมีความเคยตัวตรงที่เรียก บุคคลที่มีเตโลกุตระจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่ไม่มีเจโตสมถะมีจริงๆเพราะฉะนั้นจิตของท่านไม่หยุดหรอก แต่กิเลสท่านไม่มีแล้วอย่างพระอรหันต์นี้กิเลสไม่ ไม่มีกิเลสจะไปเกิดมาบำเรอไปหามาบำเรอตนไม่มีพระอรหันต์เจ้าที่เป็นมีโลกุตระได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะอย่างนี้มีแต่เจโตสมถะที่ ไม่ให้สนใจเอ่อเจโตสมถะเจโตสมถะก็เป็นอุปการะนะเนี่ยเจโตสมถะก็เป็นโลกุตตระเอ้ยก็เอ่อเป็นอุปการะอ่าเจโตสมถะเจโตสมถะเนี่ยอย่างน้อยศึกก็ฝึกเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาศึกเพื่อเจโตเอ่อเอ่อศึก ฝึกแล้วก็ใช้เป็นเตวิโชได้ใช้ญาณสร้าง ทำการระลึกย้อนทวนอดีตเพื่อตรวจพุทธสอบตนเองเป็นบุพเพนิวาสานุสติแล้วซ้อนเป็นเตวิโชอะไรเกิดอะไรดับ ก็ได้เป็นอุปการะเหมือนกันเป็นอุปการะเหมือนกันทําเจโตสมถะเนี่ยเรียนฝึก แต่ก็ไม่ต้องไปมากไปไม้อะไรนะพระพุทธเจ้าก็ ก็ฝึกเอาฝึกได้ก็ได้อุปการะจริงๆได้ประโยชน์จริงๆมีมีเรื่องมีราวที่ จะต้องจิตไม่ชอบอยู่ทําไมล่ะโง่ชอบออกจากใจชอบเราก็จะ เป็นเราก็จะลดในที่สุดที่ติดอกติดใจไงเป็นเป็นต้นเราก็วจรเป็นอิจฉาวจรหรือเป็นฉันทะเป็นตัว แต่ตัวไม่ชอบนี่ Kick It Out เอาออกจากใจจะทํายังไงคุณจะฝึกแม้แม้ถึงแม้แม้ถึงชอบเค้าก็ วิธีการเนี่ยบอกว่าจะไปมองจุดไม่ดีของเขาเนี่ยบอกว่าจะไปมองจุดไม่ดีของเขาหรือเข้าๆว่าเออมันเรื่องของเขานะ เมียขจัดของตัวเองยังไม่ชอบแล้วของตัวเอง บอกแล้วไม่ได้ผลอะไรแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกก็อยู่กันไปอย่างเป็นสุขอะไรเขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสบอก หัดวางใจยังก็วางก็ก็ทํางานกันไปสิเค้ามีดีอะไรเอองานที่ทําด้วยกันได้อะไรก็ๆเลยวางวางวางๆๆๆเลยต้อง บอกแล้วว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเอาไว้มันไม่เสียเกิดขึ้น แต่ถ้ารวมกันได้อยู่เค้าก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไรจนเกินขีดเกินเขตอยู่ในมาตรฐานที่อยู่ได้กันได้เราก็ ก็แก้ไขจิตของเราแล้วเราก็อยู่ด้วยกันด้วยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือแม้แต่สัมมาให้เค้าแก้ไขก็ไม่ จะไปถือมาทําไมล่ะไปยึดมาทําไมล่ะเค้าพูดก็ฟังฟังแล้วก็เอาสัญญาไปกําหนดรู้ๆแล้วก็พอจบอยู่ที่รู้อ้ออย่างเงี้ยรู้ว่ามันงี้นะเอา แล้วถามมาเห็นผู้ใหญ่ทำผิดเราเป็นผู้น้อยจะทำอย่างไร บอกได้เตือนได้แต่การพฤติกรรมที่เราว่าเราเป็นผู้น้อยในเป็นผู้ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีปัญญา มีการให้เกียรติกันอยู่ในทีถึงแม้ผู้ใหญ่ว่าผู้น้อยก็มีการให้เกียรติอยู่ในทีก็โวหารสําเนียงต่างๆวาจากรรมหรือว่ากายกรรม หรือแม้แต่มโนกรรมก็ตามเราก็ต้องฝึกจริงๆฝึกแล้วเราก็เออแต่ขนาดนี้นี่เออขนาดนี้ บทบาทที่เกิดต่อนั้นมันเสียหายหรือบท เออประมาณดังนี้ขนาดนี้พอดีแล้วขนาดนี้น้อยไปสมบูรณ์ของมันอ่าก็ฝึกหัดจริงในเรื่องของเอ๊ะอยู่ จะทํางานร่วมด้วยเป็นยังไงมันอึดอัดใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีมากถามมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะเราร่วมอยู่ ที่เราถือศาลเรายังวางใจไม่ได้มันกระทบสัมผัสเมื่อไหร่มันเกิดอาการๆลีลาไหนๆอยู่ แล้วก็ต้องทําร่วมกันในสิ่งที่ร่วมกันได้เขาเป็นของเออเขาเป็นเขาก็ต้องเป็นอย่างว่าเออเขาก็เป็นอย่าง เรเรเราก็เป็นของเราก็แล้วกันก็เป็นของเรากันแล้วกันถ้าเราเป็นคนนั้นเป็นคนที่คนอื่นเค้าเห็นเราแล้วก็โอ้เค้าก็ทนไม่ได้ถ้าเผอว่าคนๆมันก็ควรจะแก้ มันมากไปมันแรงไปมันจัดไปหรือว่ามันไปมันนุ่มแหน้มไปมันนุ่มนิ่มไปมันอ่อนแอไป เราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงๆกันกับการ เราปรับกิริยาของเราให้มันได้สัตว์ได้ส่วนนั่นอย่างปรับๆจะสมมุติมันก็ยากยากมันถ้าปรับสมมุติได้ทั้ง เอ่อปรับสมุทรได้ก็สามัคคีอยู่ด้วยกันข้างนอกสบายแม้ใจของเราต้องฟื้นใจเราเอง เราทมใจเราได้วางได้แต่ข้างนอกยังไม่เออมันไปขบกันก็ปรับลีลาไปอะไรได้ก่อน แล้วมันมีอยู่ในสังคมหมู่สังคมคนที่หลายคนขึ้นไป เราจะไปบังคับคนให้มาเหมือนกับเราหมดทุกคนให้มาเป็นดังที่เราต้องการน่ะ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางได้แม้กรรมกิริยากายไปไปปรับไปเรื่อยแล้วลูการะเทศะรูปบุคคลบุคคลนี้เออถ้าถ้าทําอย่างนี้อยู่ มีชีวิตขึ้นมาเป็นคนแล้วนี่นะถ้าเราไม่ได้มาศึกษาธรรมะสงบยังไงเค้าก็พอรู้แต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งหรอกเค้าก็ มีความสามารถหาเงินหาทองมาแลกเปลี่ยนมาซื้อเสพเค้าก็เสพไปตลอดตายเสพ พบในจิตสงบหรือพบที่จะต้องมีรูปรสกลิ่นๆเป็นสุขก็เป็นอยู่อย่างงั้น ถ้าถ้าเผอว่าเรียนรู้โลกิยะแล้วเราลดโลกิยะเลิกโลกิยะมาเป็นโลกุตระๆมันไม่ ถ้าคุณเป็นประโยชน์คุณค่าคุณไม่ล้านลาลาลาลาลาฉากจะๆเธอรับภิสูจน์กัน ไม่ได้มีการหมดตัวหมดตนไม่ได้มีการหยุดเกิดหยุดต่อแต่ของ พอเขาทําดีเพื่อความดีแล้วก็เสวยพบดีนั้นไม่ถดถอนของพวกเราเนี่ยสอน ทั้งนั้นมีนิพพานอยู่ที่เรานี่แหละแล้วอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นเราเป็นของเราทั้งๆมันก็อยู่กับเราเราได้อาศัยเป็นวิหารธรรมด้วยจะมีสุญญตาวิหารแล้วมีอยู่ในเรากิเลสมันไม่ก็คือศูนย์ทรงอยู่ซึ่งความศูนย์ศูนย์ แต่ก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มว่าเมตตาก็เป็นของเราสุญญตาก็เป็นของเราทําใจในใจวางปล่อยซ้อน องค์ประกอบเหตุมันก็มีนี่มันก็มีมีสภาวะศูนย์จากกิเลสเป็นยังไงมีเมตตาเป็นยังไงมันๆมี แต่ใจเรานี่มีแล้วเราก็อย่าไปยึดติดว่าเป็นจริงๆเป็นแต่เพียงอาการของจิตที่ฝึกให้ได้เท่านั้นมันๆมันก็พูดแต่ภาษา คุณยังเป็นเพียงสะอุปาทิเสสนิพพานคุณยังมีร่างกายยังไม่ได้ตายดับขันธ์ยังไม่ได้อนุปาทิเสสนิพพานจนยังไม่ได้ตั้ง ใครจะว่าไม่มีท่านก็ไม่ถือสาแต่ตัวเราๆเป็นผู้ที่อื่นศาสนาคริสต์เค้าก็อธิบายเอ่อพระๆเลยแต่ เขาไม่หมดปรมาตมันไม่มีไม่หมดอัตตภาพจึงได้เหมือนเขาเพราะฉะนั้นยอดเยี่ยมของ ปรินิพพานไม่เหลืออะไรเลยจบไม่มีอะไรเชื่อมต่ออีกพระพุทธเจ้าคนพบๆอื่นๆที่เค้ายังยิ่งใหญ่ขนาดไหน แล้วแต่พระเจ้าจะบันดาลของพวกนี้ไม่ต้องพระเจ้าบันดาลหรอกรู้เลยๆๆๆศาสนาอื่นไม่มีระลึกชาติไม่ได้ไม่รู้เรื่องเพราะก็ไม่ พระดึกเห็นได้จริงเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นจริงว่าอ้อมันมีอะไรเชื่อมต่อๆหมดไม่ได้ มันยังมีสันตติมันยังมีการเกิดต่อมันยังมีการเนื่องต่อสามารถที่จะๆมันไม่ชัดนะ ครบสมบูรณ์หมดเพราะเรารู้เป็นแต่เพียงรู้นี่ฟังไปๆท่านตรัสยากอาจจะไม่ใช่ แต่ถ้าเพราะวงชิดทางที่ดําเนินไปมันสุขคติมันไปดีไปดีเจริญขึ้นดีๆๆเรื่อยๆกูจะเวียนเกิดมาเป็นคนดีจะ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้ออะไรแต่ขยันหมั่นเพียรๆก็เป็นผู้ที่สร้างกําไรให้แก่โลก พัฒนาตนเองจริงๆลดๆถูกต้องเถอะมันจะเกิดจะรู้จะตายจะเกิด เมื่อท่านถึงคันมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานจึงเรียกว่าอมตะบุคคลจึงเรียกว่าคนอยู่เหนือโลกจริงๆอยู่เหนือทุกอย่างแม้แต่พระเจ้าก็ไม่ ไม่เราบรรดานเราให้เกิดให้ตายเองได้ใครมาบันดาลเราให้เกิดให้ตายเราบันดาลเราให้เกิดให้ตายเองได้เมื่อ เมื่อจะไปสู่อย่างนั้นน่ะมันไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้พวกเรามันเออเราจะต้องทําไม ฝึกศึกษาฝึกเข้าฝึกเข้าอ่าเมื่อมารู้จริงแล้วมันไม่ต้องอดไม่ เกิดมาเพื่ออธิจัยมันเป็นคุ้นค่าประโยชน์ในโลกเพื่อผู้อื่นจึงหมดตัวหมดตนจริงๆ